ย 1, ักอันตาวันนี้เป็นวันที่วัที่สิบเ็ดเป็นวันวทแล้วครับวันที่แลวที่สิบเ2็ดเดือน 2, ตุลาเตุลาเดือนตุลาสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าน่าจาพามาเป็นระยะเวลา แมสามเดือนนั้นยังอีกวันเดียวเท่านั้นเองดัง น, นั้นเนื้อปัญญาเย็นนี้ก็ต้องแม่แนววิธีปฏิบัติให้เอาไปเช้เพราะว่าเราจะได้แยกย้ายกันไปเมื่อออกพรรษาแล้วก็ต้องแยกง้ายกันไปคนไหนจะไปที่ไหนไปไหนขี้เดี่ยวจะให้รู้จักธรรมะเอาธรรมะไปใช้กับตีวนี้ก็จะมันของเรา แต่โดยมากนะครับนักอ่านเราเข้ า, เาใจต่างจะไม่ตรงที่ผมจะพูดวันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทฤษฎีดต่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับตำราตำรานั้นนะ่ะจะถูกก็ได้สิ่ง ก, ก็ได้ที่ผมพูดนี่ก็เช่นเดียวกอยากเข้าใจว่ามันผิดอยากเข้าใจว่ามันถูก ถ้าหาเราเข้าใจว่าการศึกษาเล่าเรียนหรือแม้ต้องศึกษาเล่าเรียนเราไม่ต้องปฏิบัติการศึกษาเล่เรียนกับตำรายากับต่างเรื่อันนี้ไม่ใช่อย่างมันต้องลงมือทําลงมือปฏิบัติให้เป็นโหตผลมันจะออกมาหนักหนักคือการกระทํานั่นเองผลก็คือมันออกมาให้เราได้รับนั่นเอง เหตุของมันคือเราทำทำแล้วมันเกิดงไม่คือไ ม, อไมอ่ขึ้นอยู่กับตํารามากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับกบางสิ่งแต่ตําลานั้นดีแล้วผมไม่ได้พูดว่าตำลานี่ดีแต่ตําลานั้นเป็นเพียงดทฤษดีบางทีอาจจะพิดก็ได้พูดก็ได้แต่ธรรมะที่ผมพูดนี้รู้คำสอนดันจะคาดพูดขอยไม่ได้ จะคิดเอาว่าเป็นอย่างนั้ น, นเป็อย่างนี้นัน่งได้แต่ให้อาจารย์เองถึงตะรู้ถ้าไป่คาดเช็คเดินใดเอาแล้วก็ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคนไทยและผู้พาะนัก็ต้องรู้เรื่องนี้คนจีนผู้ภาษาจีนก็ต้องรู้เรื่องนี้แต่ว่าภาษาจีนไม่รู้และเพิมรู้ต้องรู้เในกันคนอินเดียที่เขาเาื่อแต่รู้ในตัวตรงรู้เรื่องนี้ ก็ต้องเห็นเรื่องนี้เข้าใจอย่างนี้คนสมัยนี้จำพวกอเมริกาหรือคนอังกฤษเรียนมากก็ต้องรู้เรื่องนี้แต่คาพูดนั้นไม่เไดนแต่ความจริงความรู้นั้นรู้อันเดียวแต่ยอดทานมากหลายสิบสิบเดียวกู้ินก็ต้องรู้เรื่องนี้ผู้ตายก็ต้องรู้เรื่องนี้พระสงฆ์องค์เจ้า ก, ก็ต้องรู้เรื่องรู้แล้วเป็นยังไงรู้แล้วขอข่มทุกข์จะลกน้อยไป คือความรู้มันมีวิสัยทัานแต่ไม่ใช่แค่หน้ามวยจะรู้ม่ใช่ยังถ้าพูดแล้วมันรู้มันก็ไต้องมาลงมาปฏิบัติยังพูดสมมุติเอานักมวยนะครับนักมวยเก่งๆ เ, เนี่ยเขาเป็นเซนเซียนเนี่ยเขาไม่ได้ไหว้่ายฟูแต่เขาก็เรียนจาดฟูแต่จะเอาวิธีของครูนั้นไปเป็นเซนเซียนมันไม่ได้มันต้องอยูขึ้นอยู่กับจิตนิตร เทคนิคนี้เทคนิคเทคนิคของตัวเองเคยสู้ในวงสังคมอย่างนี้และเคยปฏิบัติอย่างนี้มันต้องง่าอย่างนี้มันต้องเป็นไปเพื่อทำให้ถูกถ้าทำไม่ถูกแล้วผลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นจ่ามีวิธีมีวิธีนั่งมีวิธีนอนมีวิธีลุก มีวิทยุที่ผมทีแต่ทาวิธีอเนนีเป็นยังไงก็ไม่มีเรื่องอะไรก็เพียงแต่ว่าทําความรู้สึกตัวท่านเองเมื่อทำความรู้สึกตัวมากๆากวไม่รู้ก็จะลดไปหายไปลดไปหายไปมันระจางไปคมรู้จกมากขึ้นมากขึ้นจริงันนงนั้นการกระทําอย่างนี้จริงไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งหมด ขึ้อยู่กับบุคคลผููที่สัตไม่ขึ้คําพูดการโคดร้อยคำคำคาเงินคำเสินคำก็ต่าง ม, มันยังไม่ได้มีค่าเท่าออกับการกระทาําทุกคนรู้ชุกนีื่องอย่างที่พูดแล้วนักมวยทุกคนเขาเรียนหวังเป็นคนเตี้ยนโมกทำในสิ่งเซนไม่ได้ก็เพราะว่าว่ายฟูทําการคือรู้จกเปรียบกับนั ก, นกเลงอเช่นเดียวกัน นักลบทหารตำรวจก็เช่นเดียวกันต้องเรียนในโรงเรียนไม่ใช่เอาความรู้ในโรงเรียนนั่นเองไปเป็นวิชาทหารลบก็ไม่ได้มันต้ขึ้นอยู่กับเทคนิคคนใจของคนนั้นแ่ในวงการคนนั้นกัน น, น, นั่นเองตำรวจก็เหมือนกันจับคนร้ายจับอย่างนั้นจับอย่างนี้เมื่อตะเจียงทะล้อของคนทีนท่ทเรียนมาจากคนายอาจจะจับได้หรืออาจจะทับไม่ได้ มันต้องระเปริยหน้ามันเข้าจริงจรอันนี้เรียกเปรียบเทียบให้ดูแจ้งจริงจรงตามเป็นจริงเพราะของจริงมันมีอยู่ในคนไม่หมดยุคไม่หดสมัยสมัยไหนก็มีอย่างนี้สมัยพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียนะก็ต้องเป็นอย่างนี้คนมันต้องมีการทุกดการไปการมาการนั่งการนอน นี่การกินการเข้าห้องน้ําห้องเชื่อมต้องสิงเพื่อทําการทำงานไปตามหน้าที่แต่ทําให้มันถูกหน้าที่เมื่อผิดหน้าที่ของมันละมันจะเผยหน้าตัวมันเองออกมาตอนเตาเนี่ยผมพูดให้ฟังแต่เกิดมาไม่ถึงคือเมล็ดผลไม้ผลไม้ทุกเม็ดเอาเมลข้าวก็ได้เมล็ดข้าวเปลือทุกเม็ดแต่มีในทุกเม็ด แต่เม็ดเ้อตัวมันถ้าไม่เอาลงดินมันก็ฆ่าอยู่ข้างในมันไม่สามารถที่จะแตกบอออกผลมาได้มันไม่งอกออกมาได้แต่แสดงว่าเปลือกนอกมันค่าข้างในวันนี้เมื่อเอาไปลงดินติดซึมเข้าดินเตื้มติดซึมเข้ากันมันสามารถที่จะแตกออกมาโอแตกแตกแต่จะทาลายตัวมันได้แต่ว่าเมื่อเราไม่ทำารมรู้สึกเนี่ย คนรู้สึกปไปใช่ไมวในแต่คนไม่รู้นั่นแหละจะพอกคูหนหาแน่นเข้าทุกวันทุกวันเหมือนกับนัดเราต้องการมาเตรียมออกเพื่เราขังเขาทุกวัไม่มีโอกาสไม่มีเวลามักจากตาคายเตรียมออกมาได้แต่เมื่อเรารู้จักวิธีแล้วไม่ยากจับมือนออกมาเพืทียมค า, า, า, ายดีย เ, อ เ, เองเราจะคายตคนออกมา อาการปฏิบัติกัวเช่เดียวกันเธดีทุกอย่างผมไม่ว่าไม่ดีผมพูดให้ฟังเป็นปัะเียิบันทึกบวกเป็นเนนอายุสิกว่าปีแต่ไม่ได้เข้าโรงเรียนเธอทำกรรมาฐานกับครูอาจารย์ท่านสอนให้ก็ต้องทำน่งกับธรรมเทพธรราธรรมแสงฟ้นหลักชาาวนา ใใพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจนท่มมานเลยนึกพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจเราจะทำเพราะเราไม่รู้ก็ต้องทนก็ดีอระ น, นั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เร่องนี้จากนั้นมากรรมทํานับหนึ่งสองสามกสัมมาอลังก์องึกอานาาั่นกแต่ผมไม่เคยดูอย่างี้ิ่งนั้นมันดีแล้วดีแต่นมาต้น ม, มาดี รักษาสิ่มาตั้งแต่ว่าเป็นโน่ผมว่าสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องนี้มันเปนเนเละเรื่องค่ะดังนั้นการกระทำไม่ถูกจุดแล้วสิ่งนั้นจะไม่ปรากฏเลยี้คิดอย่างนี้เมื่อผมไปทำอย่างนี้ทำเครื่องนี้สึกตัวยืนีกยคลิกมือขึ้นรู้สึก ขั้วมือลงรู้เอาเจะเพียงลูจ้จิตไม่เช่ขั้ว่ามือไหนมือไม่ใช่รู้อย่างนี้เอาควมรูม้จิตมาจากจิตสํานึ ก, กให้มันสัมผัสกันมาจากสํานึกโยธรรมมาลงเขื่กับใจให้มันมีความสัมผัสรู้จริงรู้มาจากธรรมชาติของมันจริงเมื่อรู้อันนี้มากเข้ามากเข้ามานจะรู้เรื่องลูกเรื่องนานรู้ลูก ร, รู้นานรู้ลูกทารู้นาน มือโลกโลกมือหนามโลกนูกโลกหนามโลกมีของอย่างเดีนคือโลกทางเมื่อนั้นมีจังโลกทางจิตใจอุจจาระโลกทางจิตใจมีสมัยอย่างคือดีใจเสียใจขัดใจไม่พอใจในโลกทางจิตใจเนี่ยจิตวิญญาณเป็นโลกต้องรู้อย่างนี้ที่ผมรู้มาแต่ก่อนผมไม่เคยรู้เมื่อรู้อย่างนี้ผมก็เลยรู้ทุกขังอันนี้อางอนัตตา แต่กอนผมรู้ทุกขังอนิกจังอนัตตานั้นว่ผมงอกฟันหัหรือเนื้อนหนังมันแห้งมันแห่วไปกูบาจาังตาา่อไปแต่เมื่อมารู้เกิดความรู้แจ้งขึ้นมามันไม่ใช่อย่างนั้นตัวการเคลื่อนไหวตัวอิริยาบถนั่นเองเป็นตัวที่จริงวาพิษตากขรู้หายใจขรู้เอียงซ้ายเอียงขวา็รู้พ้มเนยก็รู้เกินน้ํำลายลงไปใ น, อนคอนีก็รู้ ควารู้อันนี้จะมากขึ้นมากขึ้นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่จิตใจยังไม่คุ้นถอเมื่อรู้อันนี้ก็เกิดความรู้แจ้งถึงจริงขึ้นมาตามฝนจริดเมื่อรู้ทุกครั้งอันนี้อย่งอนัสต า, าลแล้วกวามรู้สึ่งที่สมมุติขึ้นในโลกนี่รู้ให้เชื่อให้ชื่อยังสมมติคนที่เป็สมมติเจ้าเองจ เ, เจ้าเปสมมุติพระพุทธเจ้าที่เป็สมมุติ อย่างที่เราจุดดอกไม้มีตุดคู่อดดอกไม้ติดตาก็สมมุติเตะตุดมดันเป็นยางไงตุดมันดีดีโลกยังเพียนสเล่มน้อยถึงอึหกสามดอกไมายถึงอะไรเมื่อรู้แต่ผมเมื่อผมรู้ขึ้นมาโอ้มันเป็นเรื่องสมุตเพียนสงเล่มไปก็หมายถึงตาสองตาที่เองทูบสามดอกโูซาลงไปหมายถึงกลาย วาจาใจพูดีก็หอไม่ไดนถ้าหากเราติดพุกแล้วยังไม่ตัดพุกต่อปนคนดีก็เหมือนดี่างเดียวเราติ้เราไม่รู้จรงถ้าไม่รู้จริงเราจะมีความสุขหรือไมบัดนี้ดอกไม้กุ้งไมาเป็นเครื่องอันดับตัวเราด้วยเองแต่เรารู้แต่มันไม่ทำ เราก็เข้าใจหบบใส่สูบราบดอกไม้เอ่เคื่องประิบสามเล่มเขาพูดเขสอนเขดีอันันเขดีแต่ควมทิงแล้วคนโบราณตอนลกสอนเราเพื่อให้เขาเกิดสัญญาเฮียนสุดทางลังไม่ได้มันมนไม่มีค่าจิตสังคุณได้เฮียนของเล่นประมายของตางของสามนี้เองเราไปใส่ไม้หรือจะเป็นเสวานี่แเพราะจิตใจมันขงม เราเหมือนปัดเทียนนั่นเองเอเข้าใจไหมเกี่เรื่องสมมุติมีมากเพราะเขาสรุสมมุติสมมุติก็จริงจริงโดยสมมุติแต่ทำลายได้ไหมแต่ทำลายท่านทำอะไรท่านทำอะไรให้เราต้องมี้อยำเพื่อให้บุคคลผู้ที่อยนไม่นห้ได้กล่าวได้ว่างที่สมมุติพระเจ้าพระเสด็จเสดเห็นสือเดือนหลงอ่านหน้าเข้ามายึดมีรายำสบายใจ เพียงแค่นั้นก็ดีแล้วตัวจรคนที่รู้จริงๆแล้วไม่ควรจะยึดไม่ควรจะติดอย่างนั้นถ้าเรารู้จริงแล้วต้องแก้ให้เสร็จเสรแก้ได้เมื่อรู้สมมุติผีเทวดานรกสวรรค์เรารู้จริงคนรู้แบบนี้เป็นยังไงหมายถึงคนมีญาณปัญญาเ ก, กิดขึ้นมีตาคิดไม่น้อยมีหัวคิดไม่น้อยมีใจคิดไม่น้อย เพราะตาคิดห็นคิดกายคิดก็ไม่เหมือนกับเปล่คิดเห็นคิดกายคิดอย่างที่เราเคยคิดมานั้นแต่อันนี้มันเป็นของจริงมีเฉพาะในบุคคลทุกคนต้องรู้รู้ขิดจักรนี้แต่การแสดงว่ารู้บนแต่เรื่องไม่ได้รู้ธรรมะอย่างที่ผมพูดนี่ธรรมะผมพูดนี่ไรใจได้ถ้ารู้แล้วผมคิดจักน้อยแ ต, แต่ต้องรู้ทุกคน ถ้าไม่ทําไม่ดีจะไปอ่านหนังสือเอาแล้วรู้หนังสือตกใจมัไม่ถึงมันไม่สผำผลคือว่าการกระทําให้มันรู้เองเห็นเองเมื่อรู้สมมติเด้ี๋ยว ก, การู้ศาสนารู้พุทธศาสนาศาสนานั้นขวักคําสั่งสอนของท่านผู้รู้รู้ศาสนาแปลว่าคือพึ่งอันนี้ของคำาศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ให้รู้เรื่องอะไรคนนั้นด้วยนั่นมาสอน เป็เียงศาสนายัางเนพุทธศ า, าสนาไม่ได้ศาสนาแปลี้ยวขึ้นใครพึ้เรื่องอะไรก็ต้องนำเรื่องนั้นมาสอนให้เราขึ้นเหมือนโถทำใ น, น, นวันศาสนาพุทธศาสนาพุทธปรผู้รู้แจ้งเหจริงการควรจปจริงพุทธศาสนาเปรีผู้รู้ทำเห็นท ถ, ถ้าใจทรู้ทำเห็นทเข้าใจทำก็เบิกบาน้วยับล่าเร็วเรื่ยทำทันว เมื่อเลือกอย่างนี้ก็รู้เรื่องบาปขึ้นมาบาปบาปกับพวกเป็นอันเดียวกันบาปกับงโง่บาปกับมืดใจเป็นอันเดียวกันบุญกับบุญกับไม่คุกบุญกับสว่างใจบุญกับที่เราแก้งเราสบายใจเป็นอันเดียวกันบุญกับบาปนั้นมันจะค่ายกันที่สุดรู้อันนี้รู้อันนี้เพราะเรื่องอะไรเพราะความนิสิตตัวนั่นเอง มันเป็นปัญญาญาณเกิดขึ้นอันนี้เรียว่าเป็นขั้นโต้นที่เกดถ้าไม่รู้อันนี้แล้วรู้ยังจะรู้แต่รู้ไม่แน่นอนอันนี้เป็นของจริงที่คนรู้ได้ที่ผมพูดนี้ใช้สติัญญมฟังแล้วก็พิจารณาได้แต่ว่ายังไม่ได้สัมผัสปัญญาปัญญาตัวทําทให้ปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจริงอันนี้ผมรู้ตั้งแต่สมัยผมเป็นโยนผมไปปฏิบัติผมนู่นกลางเกลืขาตั้ง พาวนั้นทํำทิศมือขึ้นข้อ ม, มือลงยก ม, มือไปเอามือมาลุกยืนขึ้นนั่งลงมีจังหวะตากวยมีจังหวะผมทำอยู่แรงงอบ้านเรื่องแรงอดแรงปอกตบเสียขาผ ม, ผมเลยลูกสภาพภาวะศัพทุก ป, ประเทศเกิดมาแล้วต้องตายคนเ ก, ยเกิดมาก็ต้องตายทัพเกิดมาก็ต้องตาย ต้นไม้เกิดมาก็ต้องตายแต่คนกลัวตายแต่ไม่กลัวคือผมเองอันนี้ทำบุญก็ปาถนาอยากไปเกิดเป็นเทวดาอยากไปเมืองสวรรค์แต่เราไม่เคยรู้ว่าเทวดาคืออะไรเมืองสวรรค์คืออะไรอยู่ที่ไหนไม่เคยรู้มีือจะอยากไปเท่านั้นเองนี่ยความยากของคนที่ไม่เหมือนันอยากทำดีเพราะอยากให้เป็นคนดีแต่ไม่รู้ว่าดีคืออะไรไม่รู้สมม่ พอดีมารู้อันนี้โอ้โหมีตายแล้วนะมันไม่เกิดปัญหาคือว่าไม่กลัวตายกลัวจะจะมาเกิดครั้งเดียวครั้งสุดท้องตัวกลัวเกิดไม่กลัวตายถ้าเกิดมาเกิดทุกเกิดสุขอันนี้เป็นเรื่องเกิดทางเนื้อหนังก็เปลนได้นะแต่พูดที่ว่านิสของตักเกิดทางเนื้อหนังเกิดจากดิดามาดาเกิดดีใจเสียใจเกิดจากธรรมะที่สัมผัสเกิดกับธรรมารมณ์เกี่ยวกับจิตใจในตัวเอง เราต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจอันนี้ที่แรกผมเข้าใจว่าผมได้ปฐมฌานแต่กลมจริงเป็นฌานไน้อยแต่ฌานก็จริงอันนี้เป็นฌานพอาะดีู้อันนี้เรื่องผีเท ว, วดานรกสวรรค์บาปบุญนิผมไม่กลัวเลยเพราะตนเองเป็นที่พึ่งของตนพึ่งได้จริงจริงพึ่งผีก็ยังไม่พึ่งยังยังไม่ดีกับพึ่งตัวเาราพึ่งธรรมะงเรา เพิ่งเทวดาก็ยังไม่ดีกับเที่ยวเราเพิ่งขำอะที่เรารู้กว่านี้รู้กายรู้ใจรู้ลูกรู้น้ำรู้เนือรู้ตัวเนี่ยรู้จริงๆจิบอะทุ่มรู้จุดนี่มันทําให้เป็นประโยชน์มากมีค่ามากรู้อันนี้รู้อันนี้ก็เลยทุกข์ก็เลยจางไปทีเลยทําไมจางไปไปก้อนเคยไหว้ผีเคยสุบุรีเคยเที่ยวกลางคืนเคยกินมาก เคยกินมากสิกตุบาดมาพิจารณาเห็นของจริงว่าเป็นอรมดาเรื่องนั้นกินแล้วก็มีแต่เท่านั้นเองเมือ่ออาหารกินเข้าไปแล้วจะทําให้เกิดปัญญาได้ไหมไม่อาหารเกา่าอาหารใหมนะ่จะทําให้เกิดปัญญาได้ได้เมื่อเราไม่กินอาหารเราจะได้ตัดสโล่ไหมแต่คนอื่นอาจจะเป็นกฉพเป็นไปไมได้อาหารกินเข้าไปแล้วเป็นอาหารเราก่าก็ต้องไปทายทิ้งวันนี้ เม่เหิวมันก็ต้องเจาะอาหารไหนเข้าไปมันก็ต้องเพิ่มการยินดีโยดสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเทียงการประทังชีวิตเพื่อให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตัวเราให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงอันนี้เนีความจรงมิงนั้นมันมีอยู่ในคนทุกคนไม่เว้นจอมธรรมแท้นั่นเนี่ยมันมีแล้วแต่ว่าการพูดอย่างที่ภาษาให้สกคัญกุาศลกับภาษา ทิต เ, เขาวอกกินข้าวไมว่าอย่างไรนีี่คนไทยว่ายังไงกินข้าวคนคนลาวเขาว่ายังไงเนี่ยคำพูดมันไม่เหมือนกันคิดว่าคําพูดไม่เหมือนกันแต่ความหมายกินข้าวเหมือนกันใช่ไหมถ้ากินน้าก็กินเหมือนกันโจ้รู้ก็ต้องรู้เหมือนกันแต่ควมรู้นั้ะมันจะรู้เราไม่อเองรู้แล้วทุกอย ก, กางลดน้อยไปคิอว่าคําสอนของพระเจ้าใครรู้แล้ว พกจะลดน้อยไปอันนี้เป็นการรู้เบื้องแรกรู้อันนี้แหละรู้อันนี้ก็เลยเกิดความรู้ชนิดหนึ่งขึ้นมาทันทีอันนั้นก็เริ่มเกิดปีติปีติจึี่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมแต่ครูบาอาจารย์บอกปีติเป็นของดีปีติคือความอิ่มใจพอใจหลักไขในการงานทันใดแต่ความจริงแล้วปีตินี้ผลชุดปีติเกี่ยเป็นอุปสรรค ไม่ให้เราก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมคือมันสะคมใจได้คุมรู้ตัวเองว่าตัวเองได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจี่เป็นอย่างตั้งแต่เช้าจนตกเย็นผมเป็นวิปัสสนุแต่ผมไม่รู้วิปัสสนุคนกําลังเป็นบ้าเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองเป็นบ้าได้ยังไงคนดีๆจะเอาไปโรงพยาบาลมันไม่อยากไปเป็นบ้าแต่คนดีจําเป็นต้องพยายาม นี่คือหลับตอ่อคอหลอกไปไปถึงหมอหมอจะตรวจเซ็กต่างกายให้ยากินพอดีให้ยากินแล้วมันจะนอนหลับพอดีนอนหลับแล้วโรคประสาทมันจะค่อยจางไปคนเป็นนิพพสนุกว่าเช่นเดียวกันติดอารมณ์ตัวเองพอใจในอารมณ์ตัวเองว่าตัวเองรู้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดคนอื่นพูดตัวออกเองผมไปแสดงทําให้ผีฝฟังเนี่ยทีแรกก็รู้ผีอยู่แล้ว แ, แสดงทําให้เทวดาฟังแสดงทําให้คนฟังนั่งอย่างนั้นยืนอย่างนี้อธิบายอย่างนั้นอย่างนั้นมาติดคุ้มรู้มันหลงตัวไปเลยหลงตนลืมตัวคนหลงตนลืมตัวนั่นอ่ะจะมีปัญญาไหมไม่มีมีปัญญาหลงตนลืมตัวเท่านั้นถึงว่าเมื่อกลับเข้ามาลู่สึกตัวตกเย็นอนยะ่างผมรู้ผมคิดของผมเองทีแรกผมไม่เคยรู้ผมคิดมันคิด ไป เ, เรื่อยๆไปเลยจริงพอดีผมเดินกลับไปกลับมาโดยจมกรมกันว่ารู้สึกตัวมากเข้ามากเข้าคมคิดมันคิดวูบขึ้นมาผมเอ๊มันเป็นอะไรผมนึกว่ามีคนมาผลักตรงข้างผมหาคนไม่เห็นก็เดินกลับไปกลับมาเนยคิดคือครั้งที่สองโอ้มันคิดขึ้นผมก็รู้แต่คิดถัดไปพอดีลูกผมคิดตรงกับพยายามทำํำอา้าว เหมือนแมวกับหนูแมวมันคอยดูหนูอยู่ในปากลูพอดีหนูออกมาแมวมันจะจับทันทีเลยจับอย่างแรงทิ่ครั้งที่สามเนี่ยผมรู้ทันทีรู้เห็นเข้าใจสัมผัสได้นั่นเมื่อในขนาดที่มันรู้เห็นเข้าใจสัมผัสได้เพราะมันมีแล้วอยว่ให้มันมีให้มันเป็นให้เปิดเผยออกมาตามหน้าที่ของมันอย่างที่ผลลมนำมาอย่างที่พูดแล้ว เอาปกลงดินแล้วเนี่ยมันจะทําลายเปลือกมันมันจะทําลายตัวเอนเราะว่านายมันออกมาแต่เมื่อเราไม่เอาไปพ่อไปปลูกเปลือกนอกมันจะทําลายในมันมันจะไม่ให้งอกออกมาที่ว่าความรู้ติเป็นภายในความไม่รู้เป็นเปลือกนอกมันจะขยายตัวไปออกมาเมื่อเห็นรู้เข้าใจอย่างนี้มันเกิดคมรู้ความเห็นความเข้าใจสัมผัสแนบแน่แ น, แ น, นกับจริ่งของเ ให้ว่าน้ำหนักร้อยกิโลนะครับผมนึกว่าผมเบาได้หกสิบกิโลในช่วงนั้นผมว่าผมเบาได้แปดสิบกิโลผมเลยเข้าใจโอวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันกว้างหมายถึงต้นไม้ก็เป็นวัตถุดินฟ้าอากาศก็เป็นวัตถุเนื้อหนังเราก็เป็นวัตถุเสื้อผ้าเงินทองเป็นวัตถุจิตใจนึกคิดเป็นวัตถุ คำว่าวัตถุนี่มันจริงผมก้วงแล้วแต่ใครจะรู้เรื่องอะไรเอามาใช้ได้แต่ถ้ารู้เสยๆ ส, สิ่งนั้นยังไม่ปรากฏมันอาจจะรู้ไป็นวัตถุอย่างอื่นก็ได้ปรามาตมะก็หมายถึงของจริงจริงไมจริเห็นไหมเห็นยกเป็นปรามะปรามามะกําลังสัมผัสมีอยู่เป็นอยู่แนบแน่กับสิ่งเหลนะ่านั้นจะเป็นปรามะอาการสภาพควรเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของรูปกายหรือดินฟ้าอากาศ ก็มีการเปลี่ยนแปลงต้นไม้ปูเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้ร่างกายเราวันนี้ลูปเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเงินทองเสื้อผ้าก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นจิตใจก็มีการนึกคิดขึ้นมาก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเป็นอาการสภาพหรือภาวะของจิตใจเด็เมื่อเห็นอย่างนี้ก็โทสะโมหโะโลภะถูกทาลายไปเลยยังจังหวะทำให้มันเป็นไม่ใช่แค่ไปเรียนตํารามาพูดกัน การเรียนตำราดีแล้วแต่มันช่วยไม่ได้ถ้าเราเรียนตำรานั่นมันช่วยได้แล้วก็เรียนแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติก็ได้มันรู้แล้วใครที่ไม่รู้่ะกิเลสกรมมาสาวะทวาสาวะอวิชชาสาวะึาวาวะธวะกธิเลสกัรหาอุปทานเนื้อโลภโลสะโมหะใครพูดคานั้นแต่วัตมันพูดกับตำราแต่มันจัดเป็นพักเป็นพวกไม่ได้ ดังนั้นวิปัสนาจิตมีอารมณ์ขึ้นมาเป็นระยะเป็นระยะเป็นระยะเป็นตามตาําราท่านบอกว่ามีปัตตมะชามีภูติยะชามีตัติยะชามีจาศาศาศาศาัตติยะชามีปัญจมหามันึ็ไปตามขั้นตอนของมันานั้นเมื่อโทสะโมหโลภทูกทําลายไปแล้วเวทนามีอยู่แต่ไม่ทุกสัญญามีอยู่แต่ไม่ทุก สังขารมีอยู่แต่ไม่ทุกวิญญาณมีอยู่แต่ไม่ทุกทำมันก็มีคนมาต้องมีการไปการมารวมรู้ดตัวแต่มันไม่ทุกเนี่เป็นอย่างนั้นความไม่ทุกคือใครก็ควรเป็นคนคนใดยังมีทุกเป็นเจ้าเรือนอยู่ไม่ใช่คนก็เลยเห็นอย่างโอคนกับสัตแต่แข้งขาหน้าตามือเท้านั่นเราจะพูดมันไม่ได้ยังสัตว์เวลาสามเนี่ยอย่างสุ น, นัขเนี่ย ใครดูก็เห็นเป็นสุนัขเน่คนเนี่ยใครดูก็เห็นว่าเป็นคนแต่ร่างกายแข้งขาหน้าตามือเข้าเป็นสใจอาจจะเป็นสัตว์ในร่างกายก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นสัตว์ในร่างกายก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นอย่างที่วี่ยเห็นอันนี้เรื่คนมีตาคิดมีหัวคิดมีกายคิดเห็นเทวดาได้พูดกับเทวดาก็ได้เลยเห็นผี ทุกข์กับผีก็ได้ไป น, นี้แล้วเป็นยังไงเมื่อมันไม่ทุกข์แล้วก็ เ, เราอะเราไม่ทุกข์ก็เทวดาเขาไปเอารูปนี่เป็นคือมีเวทนาไม่ทุกข์สัญญาไม่ทุกข์สังขารไม่ทุกข์วิญญาณไม่ทุกข์สี่เรื่องนี่แหละตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ทุกข์ด้วยนี่คือคนละอายใจใจเครื่อเวทนาเป็นรูปสัญญาเป็นรูปสังขารเป็นรูกวิญญาณเป็นรูป เวทนาเป็นนามครับสัญญาเป็นนามครับสังขารเป็นนามธวิญญาณเป็นนามครับคือมันตัวเดียวมันเองมันพร้อมแล้วมันจะต้อนการยึดถือ น, นี่วะต้องตั้งใจปฏิบัติเมื่อไม่ตั้งใจปฏิบัติเรียนนะั้นเป็นไรบ้างอย่างที่พูดแล้วว่ะนักมวยนะถ้าจะเป็นแซีนเปียนไม่ใช่เบ่นกับฟูมันต้องไปพลิกเอาเองทําเองซกเก่งแล้วก็ศรัทธากที่ไหนก็ศรัทธาซกที่ไหนก็ศระทก็ขอให้เป็นแซีเปียนเอง เรียนเกณฑเกจากตึกภูกขาตากถ้าไปซกแพ้เขาแล้วจะไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเียนเตียน เ, เ, เลยทหารก็เส้นเดียวกันเรียนในโรงเรียนในร้อยเรียนทหารเนี่ยไม่ใช่เอาขมรู้นั่นไปลบแต่อันขมรู้อันนั้นเป็นเพียงพื้นฐานเป็นเพียงรากต้นตอนเข้าลบจริงๆต้องลบด้วยสติปัญญาคนไทยของตัวเองเป็นอย่างนี้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะไม่ก็เส้นเดียวกันเรียนมาแล้ว ต้องมีวิธีคนไกเทคนิคทำอย่างนั้นมันจะเกิดจากนั้นทำอย่างนั้นมันจะเกิดจากนั้นจุว่รู้แล้วสิ่งทำไม่ใช่ว่าทําไปแล้วมันผิดมาแก้อันนี้รูแ้แล้วสิ่งทำรู้แล้วทําแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันต้องรู้จักอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าทา่านสอนให้เรามีสติภาษ า, าพริยุทธาภาษาบ้านเุณเลี้ยวให้รู้ติดตัวให้รู้ตนรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจ ภาษาคำว่าเดียวให้มีสติกำหนดการเคลื่อนไหวเป็นคำเดียวมันเดิมคำพูดมันดิ้นจุดการกระทำมันดิ้นไม่ได้อย่างที่ผมพูดเนี่ยบางคนอาจจะตีความหมายไปอย่างนั้นอย่างนี้มันดิ้นได้แต่ควรเป็นมันจะดิะ้นไม่ได้เลยเมื่อรู้อันนี้คนเลยเข้าใจในช่วงนั้นจิตใจผมเบาขึ้นอ๋อฮั่งเอาไว้ได้คือทับแป๊บมันเป็นขึ้นทนันทีเลย ผมก็เลยดูมรดผลเหตุผลหรือปฐมมานารผู้าศรียาคารผมเข้าใจอย่างทีแรกผมรู้รูปนามเนี่ผมว่าเป็นปฐมาามาการพวกกิงมันเป็นปฐมเลิกเหมือนกับลําวงเนี่ยครับลำวงทีแรกเขาไม่ต้องเก็บตา่างให้ลำซื้อบรรลุที่สองเขาจะเก็บตา่างทําสัวทําบัตรให้เสียงเงินให้เขาผ่านประตูอันนี้ก็เหมือนกันทีแรกที่เราจะรู้เรื่องรูปนามเนี่ยยังไม่ได้ ทานประตูเพียงเขาอนุโลมให้ลำเล็กเทนั้นเองเมื่อเราไปซื้อตัว๋วซื้อบัตรเชื่อเงินทางเข้าไปเขาจะกำหนดเข้ามาเลยเขาจะให้เฉพาะเจบุคคลท่านั้นเา น, นั้นด้วยสมมติบัญญัติปรามิตบัญญัติอัคคะบัญญัติอริยะบัญญัติต้องโคกสมมุติบัญญัติมมตตขึ้นมาทั้งนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมะในจังหวัเป็นของจริงของแท้ผม โลนแม่มาปฏิบัติธรรมมาสามเดือนคนไปปฏิบัติธรรมะ น, นการคราวนั้นพระยี่สิบสามลูกโยมห้าคนเป็นผู้หญิงสามเป็น็นผู้ชายของสอนกับคนความรู้ไม่เหมือนกันทวาทางกระทำไม่เหมือนกันจิตใจก็คิดไม่เหมือนกันผมอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยาก ม, อากมีอยากดีไงนะแต่เราไม่รู้จักความดีมีที่ผอม เขาไม่ดีทำไปอย่างพอดีผมจิตใจผมเปรี้ยนผมรู้ว่าอันนั้นเป็นตมนอันนั้นเป็นสิ่งรรมอันนั้นเป็นาาการิจารณาอันนั้นเป็นต่อันนั่ตอันนั้นเป็นปจิตอันนะั้นเป็นแตจตอันั้ปนตอันนันดว่าข้าโดาวนะข้าดาวนข้าตกิาวามนาข้าตกิบพาคามน้มามันเป็นเพียงคพูดบ้านมาทอามันเองแต่ดูจริงจิตใจมันเป็นแล้วมันจะรู้แน่นลยมันจริง รับหลออทีตีนสอนผู้เฒ่าผู้แกก็เป็นผูาเญิงผูหิงก็เป็นพระสงองค์เจ้าก็เป็นเด็กน้อยอายุก็เป็นเก้าปีถึ ง, งสิบสามปีขอนหนอแล้รู้ได้ครับจรรู้แล้วยังไง ร, รู้แล้ว ข, ขอออครับเพราะว่าสบายใจ บ, บุษบุษเขาเป็นพระได้เส้นอยู่พระในเรื่องไม่ได้หมายถึงอันนี้แต่อันนี้จริงโดยผมแกอยากไปทำลา อย่งที่พูดแล้วเห็นเหลืองเหลืองนี้ไมว่าจะสมายใจถ้าไม่เห็นเหลืงเหลยองอันนี้ไม่มีที่ซุ้งเลยอันนี้อย่างผมมุดเทียรให้เราเลึกเป็นมิตรจริงถ้าหากเราเป็นพระจริงๆแล้วพระแต่นผู้สอนคนเป็นโยมสอนคนก็ได้ยลวงพเป็นโยมสอนมาสองปีส่วนเป็นโยมสอนพระที่เป็ผู้สอนคนให้คนรู้ให้คนแก้ไขปัญหาตัวเองคนจะจกักขอมปุ๊บ เราทุกคนรู้จากความสตัวเองถ้าแต่เข้ามาสังโยมเนี่ยมีคนามสุขอะไรเราต้องรู้จะให้คนอื่นรู้แทนเราไม่ได้เราต้องรู้รู้แล้วเราต้องแก้แต่รู้ไม่แก้มันก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีค่ามีคุณคนาจนรู้อันนัเองจิตวิบัติธรรมะในตัวความผิดเป็นผิดเอ๋อย่าทําผิดกันเราเยผิดต้องแก้ทันทีไม่แก้ผิดแล้วอปล่อยไว้ที่จมน้นอย่างนั้นเมื่อรู้อย่างนี้ จิตใจผมเปลี่ยนแล้วกปเห็นี่เลย์ตัหาอุปทานแบตับรู้อันนี้คือมันเป็นช่วงเป็นช่วงของแนวค่ะ อ, อารมณ์ของวิปัสสนาโดยตำราเขาว่าอารมณ์วิปัสสนามีอารมณ์หก อ, อารมณ์หกคืขันห้าอริยกุศลสองห้าสิบแปดสิีนิสสองอริยสัจสี่สัสิบอย่างนี้ประมาณเป็นอารมณ์วิปัสสนาทําอะไรแต่ควมจริงแล้วอารมณ์วิปสัสสนาเนี่ยคือรู้ตัวเรล่าน้เอง รู้การเคลื่อนไหวตัวอะไนี่เองรู้แล้วมันจะไม่พลาดผิดเลยตัวยางเช่นเทวดาบัณฑ์เทวดาก็คนมีหิรูนั่นเองคนทำดีพูดดีคิดดีทำก็ดีพูดก็ดีคิดก็ดีเพราะเขามีคนลอายหลังใจิตใจเรื่อเป็นเทวดาคนใดยังทำชั่วพูดชั่วคิดั่วคช้รู้ธรรมะก็ยังเป็นถีพราะทำทั่วพูดทั่วคิดทั่วจะเป็นถี เราเคยเห็นผีไหมทุกคนหามอย่านี้เคยเห็นผีหนมะเคยเห็นบงไหมเ ค, เคยเห็นเป็นยังไงผีผีตะโนเอโอ้โหดีผีตะโกนเอาด้วยกําลั ง, ง, งทําทั่วคู่ทั่วนับผี เ, เราแปว่าไอผ้ผีเนี่ยถ้าเป็นพูทธาสนาไอ้ผีถ้าเป็นผู้หญิเนี่ยนาง น, น, นี่ผีผีเพื่อมันคือเดคนไม่มีการคิดมันไม่เห็น วันนี้คนได้ทำดีพูดดีคนนี้คือเทวดาขัดเสื่อผ้าตามพูดจาตาใส่เพาะโอ้คนพูดดีทำดีคือพระธรรมเนี่ยเ ค, คนไม่มีตาคิดอยู่ไม่เห็นจวดตาชิดโห้ชิดกายคิดกายเท็จวันเนี่ยเมื่อเราไปเจอของซึ่งที่เน้าเม่นเข า, า, าเหม็นออกมาดีเลผมจิด บ, บุรีขาวนั้นติด บ, บุรีอย่างนักมีแดงหมด ถ้าบุรีผมหมดคนสู้บุริกายไปได้ผมก็ขึ้นมันเข้ามาในแรงเนี่ยกายสบบบุภปกไม่ใช่ายทุกพอดูผมมาเห็นตอนเช้าในเรื่องทุกอย่างเอื้อนออกมาเลยคนสู้บุริกายไปใส่ขนาดนั้นผมขึ้นโอ้ไม่เนี่ยกายทุบกายทุกหมายถึงนี้ถ้าเราอยู่ด้วยกันหลายคนอย่างเนี่ยคนนั่นทําปกปกมาเส้นหวังสุบูลูหรือว่า กินเล่าวจิ่นคันตาเฮโรอินอะไรก็ตามนะสิ่งที่มันเน่มเหม็นมันแฝกลิงเข้าไปในเนื้อนหนุมออกมาทีเยอันนี้เขาเรียกสายทิพเพราะดังนลูกไม่ใช่ดังลู้ในใจมันลูกาทิพก็ีเห็นพฤติกรรมการกระทำสนี้นตาทิพยหูทิพย์พูดออกมาโดยมีการหลอกเรือ่อ ง, องว่าไอ้ทิดย์สังเกตไม่ได้พูดทำมาให้คนทุกข์คนมีหูทิพ ขาดคิดขาดคิดเป็นอย่างนี้ไม่ใ่ว่นั่งอยู่ที่นี่มองเห็นจับใจไส้ปอดคนนั้นคนนี้ไม่ใช่อย่างอันนี้เรียกว่าลูลูแจ้งลูจิงตามพมเป็นจริงคนทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวเกิดสิบคนตายสิบคนจริงหว่เมื่อเห็นสภาพเช่นนี้ก็เราไม่ต้องเกิดแล้วไม่ต้องเกิดแล้วเกิดก็ติดเกิดใจเนี้ยหังกระตุกเกิดดีใจเสียใจกระตุกทุกอางเนอย่าง้งะ มีคนถามหลายคนดิดามาดาตายไปแล้วจะทำํำดีให้บิดามาดาทํำยังไงจึงจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็ตัวเรานี่เองทําดีพูดดีคิดดีก็พ่อแม่เราบิดาเราก็คือตัวเราหี่เองสมมุติของอแม่สลิดถ้าหากลูกแม่สลิดพูดยากสอนยากไม่เชื่อใจแม่สลิดสบายใจไหมไมยเนี่ย ท, ทําให้พ่อแม่ตกนรกแล้ว ถหาลูกเราพูดสบายพูดแล้เชื่องชั่งพอพูปฏิบัติตามแม่จะดีสบายใจเนี่ยนี่เนียพราเราคือตัวเราแม่เราคือตัวเราเรามีทุกธรรณะไหนเวลาใดพอแม่เราพูดอแม่เราสบายใจก็เราสบายใจนี่การทําบัญหาพอหาแม่เด็กเขเข้าใจอย่างแต่คนอื่นจะเข้าใจอย่างไม่ได้เพ่อเราคือตัวเราแม่เราคือตัวเราผู้เราคือตัวเราแม่เราคือตัวเรา เราจะทำยังไงก็ต้องทําดีพูดดีคิด ด, ด, ดีอย่าให้ทุกข์เกิดขึ้นอะไรเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราจะอย่งประเภทตัดหน้าตาแข้งขามือเข้าเป็นตักโดยหน้าตาแข้งขามือเข้าเป็นคนใจจิตใจเป็นตัดแล้วพ่อพูดเลยพี่บัดเนี้ยแข้งขาหน้าตามือเข้าเป็นคนจิตใจอาจจะ็นเทวดาก็ได้จุดทำเชื่ของเราให้เป็นคนอย่าให้หมดคนเป็นคนแต่คนโดยมากทุกวันนี้ ควมเป็นคนหมดแล้วแล้วความเป็นมนุษย์จะมีขึ้นมาได้อย่างไงเพราะมันหมดความเป็นคนแล้วเนี่ยเมื่อควมเป็นคนหมดแล้วความเป็นมนุษย์กหมดไปความเป็นมนุษย์หมดไปแล้วไปเนี้คมเป็นเทวดาหมดไปเมื่อเป็นเทวดาหมดไปแล้วความเป็นพระอินทร์พระพรหมหมดไปความเป็นพระอินทร์พระพรหมหมดไปแล้วความเป็นพระเรียบุตรหมดไปเมื่อควมเป็นพระเดียบุตลหมดไปแล้วจะพันอย่างไรก็ตัดแกเล้วของทิศ จริงเนีนเมเมุดจริงไม่ใช่ว่าตักจ า, น า, นาจกรเพื่ตานาแม่ห้าสัดอาตนานะไม่รักไม่กินกินโดยสมุดจกจะที่หลวงพอพูดด้วยวาอย่าให้ควรเป็นคนตัดให้ควาเป็นคนสมบูรณ์ขึ้นมาให้ควรเป็นมนุษย์สมบูรณ์ขึ้นมาให้ควรเป็นเทวดาสมบูรณ์ขึ้นมาให้ควรเป็นอินเป็นคนสมบูรณ์ขึ้นมา้ควรเป็นพระยบุคสมบูรณ์ขึ้นมาที่เป็นสัดจักเด็จริงมีอยู่ทุกยุทกสมัน แล้วก็มีอยู่กับคนทุกคนไม่เยอะวยแต่เราจะทําให้สิ่งนั้นประสบ ด, ดีมากกว่าเงื่อนอย่างที่พูดแล้วเอเอามะพร้าวนี่นะมะพร้าวเด็ดถ้ามันค้าเข้ามาแล้วมัต้องมีน่องแต่เมื่อไม่ได้ซื้อเอาน่งในอวัยวตาต้อมา้วัยวะตาถ้า เ, าเอาไปลงดินต้นเราจะมากขึ้นคือเปลือกมันขลามันแล้วกับเนื้อมันน้ามันมันเป็นสารซันีา ดังนั้น่ะเมื่อเปลือกมันหุ้มมันก็ไม่ให้นายมันออกมาได้เมื่อนายมันออกมามันก็ทําลายเปลือกมันดังนั้นความรู้สึกเนี่ยมันจะทํำลายผมไม่รู้ได้ความไม่รู้มากขึ้นก็ทำลายผมรู้ได้มันเป็นอย่างนี้นเราต้องพยายามทำความรู้สึกให้มันเปิดเผยออกมาอย่าไปกักมันไว้ให้มันทําหน้าที่ของมันเจึงว่าเป็นปฐมบทุกศิลปศาตร์ศิลาตรจากศุกร ปัญญามาตัดพอดีตอนเย็นมาเป็นฮูู้ชนิดนอนแล้วก็ไปนองนอนหลวงพ่นอนก็ประมาณจากีกองนี่แหละหงพ่อลุกขึ้นมาลุกขึ้นมากับร่างหน้าธรรมดาแล้วนี่ยแหละไปองคันแับออกมาเดินจงกรมมาเดินจงกมเห็นตะขาบตัวหนึ่งบ้านอย่างพนอน่อได้บอกเจ็ตัวโตนมงนล่งออกมาหลวงพอมีเทียนไขจะใต้ไว้คังนั้นคังนี้ หลวพ่อลกลัวตะข้าบมันจะมากับเราก็่ตะขาบมันเคยกัดหลวงพ่อไม่เจ็บหลวงพวกเอาเทียนไขาตาตามตัวตะขาบมไม่เห็นไม่เหน็นหลวงพ่อก็เอาเทียนไขไปไวันที่เดิมหวงพ่อก็กลับเดินจมลมไปมากลับไปกลับมาอยู่ทางเดินจมลมไม่ยาวากลับไปกลับมาก็เลยรู้ขึ้นมาพว่มปลากบขึ้นมาว่ามีสิ่งสิ่งจะเป็นเครื่องกําจัดสีเด็กอย่างใ สมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างการปัญญาที่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดกีเลสย่างยาพอได้แก่โทสะโมหะโลภะอยากที่สุดนอะกิเลสตัณหาอุปทานข่มยึดมั่นคือมั่นกรรมนี้อยากที่สุดสิ่งนี้ถูกทำลายไปแล้วสิ้นึิงสับสิ้นก็เป็นเครื่องทำลายกิเลสอย่างงาคือกิเลสย่างยามันทำลายไปแล้วย่าพอลูยัง เถึงจะเป็นปกติมีแล้วในคนทุกคนตัวคนคนนั้นยังไม่ทําให้ปกติขึ้นมาแล้วนะคนคนนั้นยังไม่ทําให้ความเป็นมนุษย์ขึ้นมาคนคนนั้นยังไม่ทําให้ความเป็นเวดาขึ้นมาคนคนนั้นยังไม่ทําให้ความเป็นอายะบุคคลขึ้นมามันก็เลยไม่เห็นเห็นแต่ว่าสิ้นห้าสิ้นแปดสิ้นศสิ้สองร้อยี่สิบเจ็ดอันนั้นดีแล้วแต่ว่าสิ้นอันนั้นจะรักษาแช่คข้านานไหนคนจะทําอันนี้ไม่ได้ จะทำให้ปรากฏอันนี้ได้เนี่ยจะเรียนตํารามาจนจบถ้าใจเป็ดกท้องไปได้ดีแล้วก็ยังจะทําให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้อันนี้จุดมันขึ้นอยู่กัารกระการพูดร้อยคำคำคํามื่นคําแสนคํำก็ตับเราทําความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยมันมันตาบซึ่งเข้าไปจ้าแต่ทุกคนเห็นหนกพกมือยัเห็นแต่รู้ไม่รู้แต่ความสัมผัสไม่มีเราต้องสัมผัสเอาเอง พอดีหลวงพ่อรู้สิมสิมก็แบบปกติกายปกติวาจาปกติใจเมื่อกายวาจาใจปกติมีอะไรมาแตะต้อง จ, อะจะาจะรู้ทันทีคิดดีคิดชั่วเราจะรู้ทันทีเมื่อดีใจเสียใจขัดใจไม่ขัดใจเราจะรู้ทันทีเพราะเราเป็นปกติแล้วเมื่อเรายังไม่เห็นไม่รูรปกาแสดงว่าเรายังไม่รู้เ้าไม่รู้ธรรมคิดยังไม่ปรับเราจะพูดได้จากคำพูดเท่านั้นเอง คำพูดน่ะบางที่อาจจะเป็นคิดเป็นไถ่ต่อเราก็ได้บางที่อาจาาอาจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้จุดการกระทำจุดมันมันสำคัญคาพูดที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจะคาดคิดเอาไม่ได้จะรู้ล่วงหน้านไม่ได้จะแปลภาษาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเป็นเองความเป็นเองมันจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเองเมื่อเป็นอย่างนี้หลวงพ่อจะรู้สิขสมาธิขานปัญญาขัน หลวงพ่อรู้เลขันก็หมายถึงขันท่าหรือว่าขันหมายถึงมวดหมู่เลือตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นขันมู่ขันสมาเขวิดองพ่อรู้ติ้นขันสมาธิขันปัญญาขันขัแปลว่ารับรองขันแปลวต่อสู้หลวงพ่อยังไงรับรองยังไงรับรองดีพวกรับรองมาทางใดเราต้องรู้เหมือนกับนักมวยเนี่ยโคต่อสู้ขึ้นมาตะกุกหลงตาทีเดียวหลวงพอใส่หลงตา คู่ตัวสู้จะดคู่เราไปได้ทุกบ่อยๆเราก็เป็ี่ยนเซ็มเปีย น, นขึ้นมาทันทีชัวการเรียนตำรานั้นดีเลยครับแต่ว่าเราจะเอาตำลานั้นน่ะเอาจากคูนั้นน่ะไปเป็นเซ็มเปียนมันไม่ได้ชัวต้องขัดซกเมื่อคู่ต่อสู้เข้ามาแล้วไม่ต้องหว้คน่แล้วเราก็ย่างสบายๆเข้ามาคู่ตัวชู้เข้ามาซกลุ่มตาทันทีพอดีซกลุ่มตาแล้ําจากสู้เราไม่ได้เนี่ยตินขันแล้วต่อสู้ได้สู้กับสิ่งที่สกปรกได้ สู้กับสิ่งที่เดือดร้อนได้สู้ที่กับคำพูดคาเดือดร้อนได้คานี้ไม่ดีเราสู้ได้คิดอย่างนี้ไม่ดีเราสู้ได้ทําอย่างนี้ไม่ดีเราสู้ได้เจ้าไม่มีใครจะมาทําให้เราเลยเราต้องทําเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเมื่อรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเราคนทุกคนต้องการทุ่มดีเลิกผ่มชั่วกระมุขไปเลยเจ้าเรากํามือแล้วเนี่ยแบ่มออ ไ, แไม่มีเราแบ่มีอุปกรรมไม่มีเลยเลิกข่ชั่วแล้วกั หมดเลยคมณผู้ hey, okay. มันไม่ใช่ว่ากรรมเก่ากรรมใหม่เราทําเดี๋ยวนี้มันต้องหมดเดียวนี้ถ้าเรายังไม่ทําเดียวนี้เราจะรอตีหน้ามันก็ต้องตีหน้าเป็นอย่างเรื่องการกระทํางเรื then ่องขึ้นอย <vem. S 1> ู่กับการกระทําจริงจริงเมื่อรู่สินขังสมาธิขงังปัญญาขังตัมลาเขาว่าขังเปรวัฒน์หลวงอันนั้นคือทั่งอธิศินสิกขา ที่กิจจะกิจขาที่ปัญญาจิขาแล้วเรื่องรื่องสิเรื่องสิจิขาจิกขาป่ามันทำอะไรแต่ความจริงอันนั้นเป็นคำพูดเป็นตำราแต่ว่าเรื่องสิ่งขันแต่ไม่ได้ขันหนึ่งขันเกลือตาขันหนึ่งหขันหนึ่งดังขันหนึ่งปากขันหนึ่งกายขันนี้ขันนี้รับรองต่อสู้กับจริงนั้นได้เยวขันเดี๋วต่อสู้ถ้าขันดีนะไปตักน้ำก็ไม่ลั่วเอาไปตัดอาหารกินก็ไม่ลั่วถ้าขันแตกได้บ้างตักน้ำก็ไม่ได้กิน เอาไตัอาหารก็ไม่ได้กินเพราะมันขันทังแล้วความชั่วน่ะเราทําดีเลยนี่ยงถ้าเราทําดีแล้วความชั่วมันหายไปเองแต่เรายังคืนทําชั่วก็เป็นขันแตกตอนนั้นเองขันดีไม่ได้ขันดีไม่ได้ใครจะต้องการเอาไปใช้ไม่มีใครต้องการเอาไปใช้ด้วยขันชั่วขันตกกตกอันนี้เป็นอาสาที่ปฏิบัติรู้มาจริงจรเมื่อเห็นอันนี้รู้อันนี้เข้าใจนี่ก็เลยรู้สมถะกรรมฐาน สมถะกมฐานเป็นอ ongs, ุบายให้สงบจิตสงบใจทนว่าวิจตนากรรมฐานเป็นอุบายให้เกิดสัญญาบรรยุคมสงบเนี่ยวมีสองอย่างคือสงบแบบไม่รู้สงบแบบรู้สงบแบบไม่รู้นั้นเป็นการสงบของสมถะกรมถานสมถะกรรมฐานที่ยเป็นอุบายให้สงบจิตสงบใจเปรียบเอาหนี้สีรามาทำหน้าอาไว้ มันย้เหินมา ก, กบดินไว้หน้าเกิดขึ้นไม่ได้แต่ดินมันทุ้มวันนี้ม่นเอาเหินออกไปแล้วดินมันทุ้มหน้ามันอาะจ่างงานก็เดินก็ได้ดังนั้นคนทกนากรรมฐานในบางทีอาจจะขี้โกรธก็ได้เพราะว่าดินมันทุ้มไม่เหมือนหน้ามันออกมากราลาคือเป็นการเพิ่มขูดขวมลู่ตัวอื่นก็ได้อย่างไงขวมรู้อันนั้นไปไม่ได้นี่ปรัสน า, ามีคือว่าถอนล่าถอนคนจริงจริเรื่องนี้ปรัสนาเป็นการดูแก้ รู้จริงรูแล้วต่างเก่าล่วงภาวะเดิมต่างเก่าไหมต่างเก่าแต่ก่อนเคยไหว้ถือเคยพุทชั่วเคยที่เค ย, เค ย, เคยสุกันตาเคยดื่มสุลาเลิกได้อันนี้ก็ต่างเก่าแล้วนี่นี่ปรันาเกต่างเก่าล่วงภาวะเดิมคือภาวะนั้นไม่เอาแล้วภาวะที่ชั่วั่วเหลวไหลมันไม่เอาแล้วล่วงภาวะเดิมนี่ว่จบูสมาธสมาธิจบโยกา ม, มาสะวะ พระว่าวอวิษณ์สาวะคือสามอันนี้เป็นภูเขากัน้นยังมีซื้อมาทางนี้เราเสียนเนี่ยเราพูดให้คําอย่าง น, น, น, านไไี้เป็นภูเขากั้นไปไม่ได้นช่ไเป็นภูเขาสามลูกลูกที่หนึคือกา ม, มาสาวะลูกที่สองคือพระวะ่าสาวะลูกที่สามคืออวิษณ์สาวะอวิษณ์ก็แปลว่าไม่รู้ไม่รู้ทางออกไปนั่นเองกามาสาวะก็ตกตักวนักของกามยินดี ในอารมณ์ตัวเองยินดีในความสงบพระวาสวรกตกใจพบทราบอับ น, นั้นเนกี่ยกเบปุถุกจุดสมถะกรรมาฐานตกใจในอำนาจขอ ง, ง, องปุถุกยึปัจจณากรรมฐานจะพ้นประจับปุถุกต้องเห็นต้องเข้าใจว่าอารมณ์ของยึปัจจณานคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมคือคึ้นอยู่การเห็แจ้การเข้าใจจริง วิธี่ปฏิบัติอย่างนี้ต้องมีเทคนิคและกลไกต้องมีจังหวะถ้าไม่ทําจังหวะรู้ไม่รู้คนอื่นแต่ดลวงพ่อไม่รู้สลวงพ่อทําจังหวะหลวกก็อถึงรู้เคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีใดก็ให้รู้อย่างที่หลวกพ่อค่อมลงอย่างนี้ดลวงก็รู้เมื่อยขึ้นมาอย่างที่ดลวงก็รู้เลี้ยวไปอย่างนี้หลวงก็รู้เลี้ยวมาทางนี้หลก็รู้ตามันไหลเลือดใต้แรงผลึกพารู้หลวก็รู้อย่างนั้น ความรู้อันนี้แหละมันจะมา ก, ข, มากขึ้นมากขึ้นมากควาไม่รู้ไปที่ไหนมันไม่มีคนเลยมันหายไปเองมันแต่เราไม่เคยสร้างอันนี้แบบนี้นี่เราไปฟังทาบุญอย่างนั้นทาบุญอย่างนี้ตายแล้วไปสุดสวรรค์ตายแล้วไปเปเ ท, ว, เทวดาเนี่ยนั่นเรียนสอนกันอย่างนั้นเจียงว่าเราไม่มีตาชิดเมื่อเรามีตาชิดแล้วหูชิดแล้วกายชิดแล้วสามารถที่จะมองเห็นคำพูดของคน ได้ทุกอย่างคนมันพูดอย่างนั้นก็ภาษาของเขาเขาพูดอย่างนั้นเพราะเขารู้อย่างนั้นแต่ตัวจริงเมื่อตัวเองรู้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องเก้อเขินใครจะพูดอย่างไรเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเป็นการกระทำให้รีแก้เดีรู้ตามเห็นตามเข้าใจจับเราเคยตรวจกันอะไรแบบนี้โน้ตุบุมาดีกว่าพูดตัดสรู้ตามพระพุทธเจ้า มีศีลและทิฏฐิสเสมอกันมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ารู้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีศีลไม่มีทิฏฐิเสมอกันก็ไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเสียผู้ศัพทรู้ตามพระพุทธเจ้ารู้ตามเห็นตามเข้าใจตามมีศีลคือกันแล้วก็มีทิฏฐิคือกันและมีความเห็นเหมือนกันกับพระพุ eddar, ทธเจ้าี่ว่าธรรมะแท้คืออันเดียกันเคลื่าคําพูดมันดิ้นแตภาษาอินเดียเขาจะพูดอย่างไร คนไทยต้องพูดอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนไทยทางภาคกลางอาจจะไม่พูดอย่างนี้ก็ได้แต่ผมเป็นคนไทยพระอิตาลเป็นคนไทย izen, อย่างเดีเลย hmm. พูดอย่างนี้ย ai, mm. อย่างกินข้าวอย่างมีแต่บ้านของเกินข้าว้าคกลางเรกินข้าวอย่างเงี้ยอย่างคุยเนี่ยบ้านเราเรียกว่าคุยทาที่เรียกว่าคฝายมันผิดกันอย่างรัวมันเพี้ยนได้คําพูดเดวมจริงแล้วมันมีควมหมายยังว่า พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยสอน่าแต่เราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้จะถือว่าเรารู้ไหมไมร่รู้มาขนาดนี้เนี่ยว่าเป็นจัตุทศตุลเมื่อเราทําลายจะปรกกตามมาสะวาอวาสวาอวิสาดาวนี้เรียเป็นจัตุทศกุลคือมันจะมารวมกันทั้งหมดเลยคือขันห้าสว่าได้พาสว่าได้อายตนะก็ไรมันจะมารวมตัวมันเข้า หลวงพ่อเคยเตียบอุปมาให้ฟังเหมยกับไม้ไม้สาตัวฮัลโหลที่สามขามั่มมัดตรงขาแล้วขามันยังทุกมันไม่ลมเลยบัดนี้เราทําลายเสียขาเดียวให้มีสองขาทุกข์อามณ์ตมันสุดเด็ดหาวงอพี่ยันพ่อเราต้องทําลายจำพวกกาฬมาสาวะฆา ว, าสาว า, วาสาวาอริสาสาวะเราทําลายอันนี้ได้ไดะไม่ยากเลยเราจะเห็นจะรู้จะเข้าใจ รวมเป็นเองมันมีแล้วในคุณทุกคนแต่เมื่อเรายังไม่พบไม่เห็นไม่เป็นไม่มีในขณะนี้จวนจะหมดลมหายใจใต้องแน่นอนจวบควรศึกษาและปฏิบัติเอาไว้ให้มันมีอยู่กับเนื้อกับตัวเราไว้เราจะไปใช้เวลาใดมันก็ได้แต่เมื่อเราไม่มีแล้วจะไปคาดคิดดมเดาเออกมาไม่ได้จวบของที่มีอยู่ในตัวเราเราต้องใช้ได้อย่างสม่ ของที่ไม่มีตัวเราแล้วจะไปไปมันก็นลำบากเดือดร้อนเป็นตามต่อทีปฏิบัติธรรมต้องทํำเองอย่างที่หลวงพูดนี่เมื่อทาลายสิ่งเหล่านี้มันก็มารวมกันเมื่อมารวมกันแล้วสมมุติเอาอย่างข้าราชการมีจากสามคนที 4, คน่คนคอตามเถึงเวลาแล้วจีงงวละขังตุกปังจีละขังวางดินสองทุกคนวางหมดแล้วงานก็หมดเลย ถ้าคนนั้นอย่นางนันผมยังไม่เสร็จมีคนเดียวเสียนอยู่งานคนยังไม่เสร็จทีละครังสองครั้งสามครัง้งงานคนนั้นก็ยังไม่เสร็จก็แสดงว่านั้นยังไม่ทำงานยังทํานไม่ครบถ่องถ้าหาว่าจริงๆแล้วคนสามคนที่คนคนตามถึงเวลาตีละครัง 4, สองส้อมันจะลุดมืกันทีเลยียวน่าจะวางพร้อมกันเมื่อสอหลุดมือไปแล้วน้ำมึกก็ไม่มีกระดาษก็ไม่มีจะยางไ น, น <c oughs> มันนี้มือกซ้อไม่มีกระดาษไม่มีนั้ำมือไม่มีก็ไม่มีตัวหนังสืออ่านไม่ได้เลยอันนี้หลวงพ่อพูดไม่เป็นข้าวพลาดแต่มันเป็นอารมณ์ไปเรียกว่าอาการเกิดดับคําว่าอาการเกิดดับไม่ได้แปลว่าเรารู้ทีแรกแติกมือขึ้นเป็นเกิดข้อมือลงเป็นดับอันนี้เป็นอาการเกิดดับสมมตุติไม่ใช่เป็นอาการเกิดดับในปรมัาสันตท์ที่ว่ามันมีเปลือกมีกระที่มีแก่นมีแกน มันต้องเข้าไปตามลําดับของมันวันนี้ต่อไปเราก็พิจาตรณาเกิดเลือดใต้แรงพัวเป็นดับมันเป็นเกิดเป็นดับจิตใจมันนึกมันคิดมันเป็นเกิด เ, เป็นดับมันจะเข้าใจมาอย่างนี้มั น, นไม่ใช่อาการเกิดดับอันไนอาการเกิดดับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนว่าคนเกิดมาร้อยวันพันปีเพราะตถ้าหากยังไม่รู้ไม่เห็นอาการเกิดดับอันนั้นการเกิดของคุณนั้น รู้สิริของบคนนั้นเป็นหมันบวชเป็นพระสงฆ์องค์เจากก้ากนเช่นเดียวกันะถ้าหากไม่รู้สภาพลุภาวรอาการเกิดดับอันนั้นการบวชดนันดีแล้วแต่ว่าอานิสงส์การบวชเป็นโมฆะคำว่าโมฆะก็หมายถึงใสไม่ได้ดังนั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมต้องตั้งใจเวลามันหม ด, ดวันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายจะแม่แนววิธีปฏิบัติให้พวกเรา เอาไปไช่เพราะว่าก็ภาษาแล้วจะมีการแยกย้ายกันไปทําการทํางานตามหน้าที่ของเราถ้าหากเราไม่รู้จริงแล้วคนอื่นพูดให้เราฟังเ้าจะงงไปจะไปเสื้อคนนั้นคนนี้คือเพิ่งตัวเองไม่ได้เดี๋ยวก็จะไปวิ่งหาตำราคนนั้นพูดอย่างนั้นดีคนนี้พูดอย่างนั้นดีดีใจคนอื่นเราไม่มี ด, ค ด, ด, คดีคนอื่นดีกับนะเราดีใครจะดีคนอื่นดีก็คนอื่นดีน่ะเราดีเป็นคนดีกว่าคนอื่นดีที่ สมมติคนอื่นมีเงินกับเรามีเงินใครจะดีคนอื่นมีเงินเราต้องการเงินเขาต้องไปยืมเขาเนี่ยถ้าเรามีเงินเนี่ยไม่ต้องไปยืมใครเลยเราให้คนอื่นก็ได้ทันทีควมรู้อันนี้ก็เช่นเดียวกันคือว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตสำรักสารามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการนึกการคิดแต่มันต้องขึ้นอยู่กับการกระทําให้มันเป็นเองให้ตัวมันเองปรากฏขึ้นมาเองนั่นเอง อาการเกิดดับอันนี้ไม่เหมือนอาการเกิดดับอย่างที่ผู้คนหลายคนเคยได้ยินมาพูดว่าตายเห็นหรือจิตใจมันนึกมันมันเป็นเกิดเป็นดับในตัวมันเองอันนั้นจริงแต่ไม่ใช่อาการเกิดดับอย่างที่บอกว่าหุนี้อาการเกิดดับตัวนี้มาเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อคนใดรู้สภาพภาวะอาการเกิดดับอันนี้เหมือนกับผมเคยพูดให้ฟังมือกับเพลือกในร่อนเอาไปพูดว่า ตนนั่นทางพูดไว้ต้นนี้ทาําตัดตรงกลางเลยตัดตรงกลางเพื่อมันจะคาดมันจะมายึดกับเขาทั้งนี้หมดเลยมันจะไม่ยาวไปฉะนั้นก็เลยจะยึดกับเขาทางนีน้ดึงเข้าหากั น, นจนยัไม่ถึงเรีว่ามันเกิดแล้วระดับไปเลยดับศูนย์ไปไม่ใช่ศูนย์คือไม่มีไม่ใช่คือว่าดับศูนย์ไปสิ่งนั้ น, นะจะไม่มีนี่อาการเกิดจากอะไรเรียกวเขาก็เลยยกมาไว้อนัตนตนะตาเห็นเป็นลูก อยากให้เป็นลูกผัวรูปงามหรือฟั ง, งเป็นเสียงย้ายเป็นเสียงของอันนั้นเป็นคําพูดแต่มันมีท่านถ้ามันมีเสืออยู่แล้วแสดงว่าเจ้าของนังไม่ดีมันเป็นยางเหนียวถ้าเราตัดขาดสิ่งนั้นแล้วมันเป็นเองคว่ำเป็นเองนั่นมันมาขาดเราเองแต่เมื่อเรายังไม่เป็นเรี่ยวนี้เนี่ยจวบจะดลมหายใจเนี่ยต้องแน่นอนเดี๋ยวทุกคนต้องกดตัวเรื่องนี้แน่นอนจะยกเว้นไม่ได้จวบรีบทำรีบับ ให้มีในกำเนิของเราถ้าเราไม่ทําแล้วจะให้คนอื่น ท, ทําแทนเรามันทําไม่ได้คนอื่นทําเขาก็รู้อย่างที่จังหวัดนาเภอเสียงคายอุปถัมภ์ผมเนี่ยเป็นอุปถัมภ์ให้สองครั้งครั้งบวชเป็นพระนุ่มทั้งก็เป็นอุปถัมภ์ให้ครั้งเส็จหลวงตาครั้งก็อุปถัมภ์ให้อขาตาโลตถาคตานเป็นภาษาบาลีพระตถาคตไปเจียงภูณะแนววิธีปฏิบัติัรรมอี แต่การประทับการปฏิบัติหรือการกระทำนั้นเป็นหน้าที่ของเธอเองเธอทําเองอันนี้ก็เหมือนกันที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยไม่ใส่หลวงก็จะไปทําแทนมีแต่เพียงหลวงพ่อให้มีความรู้สึกตัวถ้าความรู้สึกตัวมากเข้ามากเข้าความไม่รู้มันจะจางไปจางไปจางไปเมื่อมันหมดแล้วมันก็หยุดมันจับไม่เหลือเขาเราสวด ก, กันกับธรรมัะเส้าเวชิน จือเราหลุดพ้นไปแล้วจากสิ่งทั้งปวงคือจิตของเราพ้นแล้วไม่มีอะไรจะปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเราพูดกันอันนั้นเป็นคําพูดแต่เราเห็นไหมจิตเราหลุดพ้นไปจริงไหมไม่มีอะไรปรุงแต่งได้จริงไหมเป็นจิตหลักษณะไหนเราจะไม่รู้อันนั้นเป็นคําพูดดคําพูดนั้นดีแล้วแต่ว่าคําพูดร้อยคําพันคำํคำมืำ่นคําแสนคํา รูการกระทําให้เราเป็นข้างเดียวไม่ได้ถ้าเราเป็นเราเห็นเรามีแล้วเราพูด ก, ก็ได้ไม่พูด ก, ก็ได้มันต้องจําเป็นอย่าที่ว่าธรรมะแท้นะเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าภาษาวกทุกองค์ก็ต้องรูเหมือนกันมีความไม่มีทุกเท้ากันถ้าหากรู้จริงนะถ้ า, าไม่รู้จริงก็จะไปขาดคิดเอาพระพุทธเจ้าต้องมีความสุขมากภาษาวกก็มีความสุขน้อย พระพุทธเจ้าต้องมีความรู้มากฉะ น, นั้นจริงทางทฤษฎีหลักวิชาการเพราะพระพุทธเจ้าเรียนมามากการพูดการสอนของพระพุทธเจ้าจึงมากท่านพูดอะไรมันมีมาแตา่ความจริงมีเป้าหมายจุดเดียวเป้าหมายจุดเดียวคือจุดที่จะทําให้มันหมดนี้เองให้มันค่าออกจากกันนี้เองแป่ว่าทําอย่างนี้ทําไมแต่เป็นอย่างนั้นจัดเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากที่สุดคําว่าอัศจรรย์เนี่ย ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็ไม่เคยมีนึกว่าทําอันนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วบัดนี้มาทําอันนี้มันทําไมไปเป็นอย่างนั้นได้มันเกี่ยวโยงกันยังไงนี่เรื่องอ้อสาคัญเร่เป็นหน้าอัศจรรย์ทำควมรู้สึกตัวตื่นตัวทําผมรู้สึกใจตื่นใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยึดเรื่องอัศจรรย์เรื่อเป็นยังไงก็ ไม่มีความสามารถที่จะพูดได้แต่ทุกคนประสบแล้วจะพูดเอาเองโอ้โหนี่คือย่างที่พระพรุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวยอันนี้แหละที่หลวงพพูดว่าตัดเสื้กในรอนครั้งเดียวค่ะเลยพระพุทธเจ้าแต่เราก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ผมในศรีรษะนี่นะมันจะเข้าสู่สภาพของมันลูกนี่จะเข้าสู่สภาพของมันใจนั่นก็จะเข้าสู่สภาพของมัน เมื่อมันเข้าสู่สภาพของมันนะครับแสดงว่ามันไม่ต้องออกมาลักมาสู้อะไรมันต้องเตรียมตัวมาอยู่อย่างนั้นในอันนี้ที่ที่ผมพูดให้ฟังเรืวอาการเกิดดับแท้ต่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันแต่ว่าอาการเกิดดับมันลิกขึ้นเกิดข้อมือลงเกิดมันคิดเกิดมันหยุดเกิดอันมันนึกมันคิดอันั้นเป็นอาการเกิดดับมันเป็นเปือกมะพร้าวเลือกคาาบมะพร้าว มันยังไม่เป็นเนื้อมะพร้าวยังไม่เป็นน้ำมันยังไม่ได้เป็นออนกเซลิงเต็ตัวจริงมาในแท่นตัวมันจะทำลายเปลือกมัน